วังว่าคงสนธนามงคลกันอยู่คือให้ได้มงคลสักข้อหนึ่งนะตั้งสานสิบแปดนะนะการสนธนาอะไรให้เป็นมงคลกับบริษัทนะ นี่มาขึ้นมงคลที่ยี่สิบสี่เลยนะที่ผ่านมาได้ยี่สิบสามมงคลค่ะคือยังแยกความแตกต่างระหว่างบูชาและการบูชาบุคคลที่ควรบูชาและก็การเคารพค่ะ ว่าแตกต่างตรงไหนคือดูองค์แล้วเนี่ยการบูชาคือการปฏิบัติบูบชาโดยการรับไตรสนรสนาคมบ้างการสมาทานศีลบ้างหรือว่าการปรารบมหากุสลของตนเองบูชาใช่ไหมคะแต่การเคารพเนี่ยการเคารพสักการะเนี่ยเคารพใน7ประการที่ท่านอาจารย์แสดงคือแยก เคารพนี้กว้างกว่าบูชาจะปูชนิยานังปูชาจะปูชนิยานังนี่หมายถึงบุคคลใช่ไหมการบูชาบุคคลที่ควรบูชาแต่เคารพนั้นเคารพทั้งบุคคลและธรรมะนะนะพระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลที่ควรเคารพใช่ไหมแล้วธรรมะคือพระธรรมพระสงฆ์ศิกขาสมาธิความไม่ประมาทปฏิสันาน เพราะฉะนั้นคําว่าความเคารพนั้นกว้างกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาแต่ก็คือตั้งอยู่ในความเคารพกับการทําการบูชานี่ก็กิริยาอาการก็คนละอย่างนะเพราะว่าการบูชานั้นเน้นไปที่อาบิสบูชากับปฏิบัติบูชาแต่ถ้าความเคารพล่ะความเคารพนั้นก็เป็นการมองอีกมุมหนึ่งของการบูชานั่นแหละถ้าจะว่าต่างก็ต่างจะว่าไม่ต่างก็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 เส้นอะไรดี ท, ที่สัมพั์กันไปหมดเลยคือถ้ากระเทือนอันหนึ่งหรือไม่ดีอันหนึ่งบกพร่องอันหนึ่งทำอย่างอื่นให้บกพร่องไปด้วยในตัวหรือถ้าทํากุศลอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถเป็นมงคลได้ตั้งหลายอย่างอย่างเช่นกิจกรรมคือการฟังทาอย่างเดียวนะได้มงคลตั้งหลายอย่างขณะที่ฟังทำกุศ ล, ลจิตเกิดนะขณะนั้นไม่ครบผลผานขณะนั้นชื่อว่าครบบัณฑิต ถ้าเราไม่เคารพผู้ที่แสดงเราหรือเราฟังได้ไหมก็ฟังไม่ได้ขณะนั้นได้อยู่ในปฏิรูปประเทศใช่ไหมใช่เนี่ยแสดงว่าบุญเก่ามันให้ผลนะจึงได้ฟังเนี่ยถ้าตั้งอัตตะซัมเพราะตั้งจิตเอาไวด้ดีเพราะตั้งความปรารถนามาเพื่อฟังอันนั้นก็เป็นอัตตะสัมมาตอนนี้ทีท่านกิจกรรมคือการฟังทำเสี้อย่างเดียวเนี่ยนะด้วยกุศลจิตที่เกิดอย่างต่อเนื่องถ้าแสดงตามมงคล น, นี่ได้หลายมงคลมากเนี่ยนะกว่าจะได้ กุศลธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นคือบุคคลมงคลชั้นสูงสูงเนี่ยยิ่งต้องพึ่งพาอาศัยมงคลชั้นล่างล่างที่ผ่านมา น, นะถ้าบุมงคลชั้นล่างล่างที่ผ่านมาไม่มีมงคลชั้นสูงๆูงก็เป็นอันไม่มนะีส่วนมงคลว่าด้วยสันโดษเนี่ยนะสันโดษนั้นหมายถึง ความยินดีปัจจัยตามที่มีที่ได้นะสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้หมายความว่าพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เนี่ยนีสันโดษนั้นถ้าแบ่งไปแล้วเนี่ยมี12อย่างคือสันโดษ3อย่างในปัจจัย4ี่อย่างเพันสคูณสก็เท่ากับ12สันโดษ3อย่างนั้นคืออะไรบ้างหนึ่งยถาลาภาสันโดษ2อยถาภะลาสันโดษสยถาสารุ ป, ปะสันโดษ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 สยินดีตามกําลังเรียกว่ายาถาภละสันโดษ 3. ามยาถาสารู ป, ปะสันโดษเรียกว่าสันโดษตามควรในสันโดษเหล่านี้เนี่ยนะก็คูณด้วยปัจจัย4ก็จะเป็นสันโดษ12บสองนะนะจง่ายๆว่าสันโดษตามได้12สันโดษตามกําลัง 3. ส, สันโดษตามความสมควรตามความเหมาะสมอีกชื่อนึงเรียกว่าตามสารูปก็ได้เนี่ยตามความเหมาะสมใช่ไหม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 เมื่อได้ก็ไม่รับนี้ชื่อว่ายะถาลาพระสันโดษในจีวรโดยสาระของคําสอนเราควรฟังเพิ่มเติมไว้นิดหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณาว่าท่านให้สันโดษในมหาพูดท่านไม่ให้สันโดษในกุศลฟังให้ดีนะอย่าเอาไปปนกันถ้าปนกันนี่ยุ่งมากว่าไงข้าพเจ้าปฏิบัตในสันโดษเพราะฉะนั้นยินดีแค่สินห่านี่แหละว่างั้นอันนี้ไม่ใช่สันโดษนั่นนั่น น, น, นั่นไม่สันโดษเลย นะเพราะถ้าสันโดษจริงๆต้องอรหั ต, ตผลนั่นแหละนะถ้าสันโดษในในอุทานนะ่นในคมภีอุทานที่พระองค์แสดงคําว่าสันโดษตรงนั้นเนี่ยหมายถึงอรหั ต, ตผลจึงจะเรียกว่าสันโดษอย่างแท้จริงแต่ น, นี้เรากําลังพูดถึงปัจจัยสี่นะนะจะเกี่ยวกับปัจจัยสี่นั้นก็ก็คือมหาพูดนะท่านทำมหาพูดนี้ก็ยินดีตามที่ได้ก็พอนะนะตามที่ได้ก็พอเช่นผ้าเนี่ยนะอย่างข้อต่อไปคือ สันโดษตามกําลังเช่นว่าภิกษุอาพาธเมื่อห่มจีวรหนะักย่อมต้องคล้อมตัวลงหรือลําบากเธอจึงเปลี่ยนจีวรนั้นกับพิสูจนที่ชอบกันยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวรนั้นก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นี้ชื่อว่ายาถาภละสันโดษ น, นะป่วยอย่างไงนะคือผ้าเนี่ยเราต้องนึกภาพแบบผ้าโบราณผ้าฝ้ายใช่ไหมผ้าขาดขาดแล้วเอามาตัปะปะต่อต่อกันเนี่ยถามว่ามันจะนาสักขนาดไหนแล้วมาห่มเนี่ยนะ มาก็ น, นับว่าคือใช้เรี่ยวแรงใช้กำลังมากถ้าป่วยถ้าอายุมากล่ะใช้ผ้าแบบนั้นเนี่ยกำลังร่างกายบริหารไปไหวไหมก็ไม่ไหวเนี่ยนะก็ไปเปลี่ยนกับภิกษุที่ชอบพอกันไปเปลี่ยนกับผู้ที่เขายอมเปลี่ยนกับเรานะก็ขอเปลี่ยนอย่างนั้ น, นอีกรูปหนึ่ง ได้ปัจจัยอันประณีตเธอได้จีวรนในบรรดาจีวรนชั้นดีเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีค่ามากคิดว่าจีวรนนี้เหมาะกับพระเถระผู้บวชมานานหรือว่าเหมาะแก่พระพหูสูตรจึงถวายแก่พระภิกษุเหล่านั้นตนเองก็เลือกเอาเศษผ้าจากกองขยะหรือจากที่ไรๆอื่นทำสังคาติครองก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นั่นเองอย่างนี้เรียกว่าสันโดษตามควรเห็ น, น, นก็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 ประวัตแต่ละอย่างในใช้แต่ของชั้นเยี่ยมไปหมดเลยเนี่ยนะถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีเนี่ยนะก็หาความเหมาะสมให้พบว่าเราเนี่ยควรจะเหมาะสมแค่ไหนเนี่ยนะถ้าแบบภาษาไทยๆเรียกว่าตามสมควรแก่ฐานะนะถ้าเราจะใช้ข้าวของให้มันควรแก่ฐานะนั่นเองนะว่าฐานะเราเป็นพระใหม่เป็นพระหนุ่มน้น้อยควรจะใช้ผ้าชนิดใดที่มันเหมาะมันสมเนี่ยนะนะเพราะว่าไปใช้ของบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะ ตัวเองดูเท่ใช่ไหมแต่ว่าคนอื่นเขาดูแล้วมันน่ารำคาญคนอื่นเขาไม่อนุโมทนาด้วยเขาขาดมุทิตาด้วยซ้าไปถ้าใช้ของที่ไม่เหมาะสมยังมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาได้ผ้าชั้นโลดชั้นเยี่ยมเลยนะเา ก, ก็ปรึกษากันว่าเราควรจะถวายผ้านี้ก่บใครก็ปรึกษากันไปปรึกษากันมาบอกควรแก่พระเทวทัตเพราะว่าพระเทวทัตท่านอยู่ประจำกเลยถวายพระเทวทัต พระพิสูจนท่านก็มาโพลธนาว่าผ้าอย่างนี้พระเทวทัตไม่ควรใช้หรอกนะผ้าแบบนี้เหมาะกับภาษารีบุตรเป็นต้นมากกว่าแต่นี้ก็เห็นว่าบางอย่างเนี่ยถ้าใช้แล้วแทนที่คนอื่นเขาจะยินดีชื่นชมใช่ไหมเขากลับตําหนิ ด, ดูหมิ่นด้วยซ้ําไปอั้นความเหมาะสมนี่ก็นับว่าสําคัญทีนี้ต่อไปว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเลยนะพิสูจนในธรรมวินัยนี้ได้เบญทบาทตอนหรือประณีตแล้วก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยเบญทบาทนั้น ไม่ประสงค์บินทบาทอื่นแม้เมื่อได้ก็ไม่รับนี้ชื่อว่ายาถาลาภาสันโดษในบินทบาทของพิสูจน น, นั้นนะัคือบินทบาทอย่างไรก็ฉันไปอย่างนั้นนั่นแหละอันหนึ่งเล่าพิสูจอาพาธฉันบินทบาทเศร้าหมองโรคจากกำเริบหนักเธอจึงถวายบินทบาทนั้นแก่พิสูุที่ชอบกันฉันเนยสายน้ําเพึ่งและนมสดเป็นต้นจากมือของพิสูจนั้นแ ม, แม่ทำสมณธรรมอยู่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 อธิปัญญาศิกขาผลแห่งศิกขาเหล่านี้เรียกว่าสามั ญ, ญผลหรืออริยผลภิกษุอีกรูปหนึ่งได้บินทบาทอันประณีตเธอคิดว่าบินทบาทนี้เหมาะแก่พระเถระผู้บวชมานานและแม้แก่สัพรมจารีอื่นผู้เว้นบินทบาทอันประนีตเสียก็ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้จึงได้ถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นตนเองเที่ยวบินทบาท แม้ฉันอาหารที่ปนกันก็ยังเป็นผู้สันโดษอยูน่นี้ชื่อว่ายถาสารุปตะสันโดษสันโดษตามควรในอาหารบินทบาทเหล่านั้นนะว่าเราควรบริโภคอาหารเช่นไรอาหารเช่นนี้เนี่ยบางทีก็เห็นใช่ไหมว่าอาหารนี้คนนั้นเขาส ป, ปายะเข้ามากเราเอาไปถวายท่านซะเราก็เอาอาหารของท่านเพราะเราฉันยังไงก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็ดีนะคือบางคนนั้นบริโภคอาหารอย่างไรก็ส ป, ปายะนย บริโภคข้าวเหนียวก็ส ป, ปายะข้าวเจ้าก็ส ป, ปายะบางคนไม่ได้เลยเข้าวเหนียวก็ไม่ย่อยอืดทั้งวันอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็หาส ป, ปายะให้เจอบางคนเจอเข้าวเจ้าไม่ได้เลยนะฉันแป๊บเดียวหิวอีกแล้วว่ังนั้นต้องข้าวเหนียวจริงกับส ป, ปายะนะั่นนะแม้กระทั่งข้าวข้าวทั้งหลายนี่ก็แล้วแต่ถิ่นเหมือนกันนะถ้าถิ่นเหนือก็ถิ่นอีสานนี่ติดขาติดข้าวเหนียวกันส่วนใหญ่ถ้าถิ่นภาคกลางนี่ก็เป็น ข้าเจ้าซะส่วนใหญ่เพอมาเป็นคนพระอีสานแต่ติดเข้าเจ้าอย่างนีน้มันก็เลยลำบากมากอันนี้เรียกว่าเมกคืออันนี้ไม่ได้พูดว่าให้ใสเข้าเจ้านะแต่เล่าให้ฟังว่าเ อ, อสปายะของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยฉันเข้าเจ้าแล้วก็มันหิวอยู่นั่นแหละเขาบอกว่าเหมือนกับไม่ได้ฉันอะไรเลยพระลายรูปท่านเล่าให้ฟังอย่างนั้นนั้นสปายะแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ส่วนเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะเนี่ยนะเรื่องเสนาสนะว่าพิสุมาถึงเออเขาบอกเสนาสนะมาถึงมาถึงพิกษุในธรรมวินัยนี้เธอก็สันโดดด้วยเสยนาสนะนั้นนั่นแหละไม่ยอมรับเสนาสนะอื่นแม้ดีกว่ามาที่มาถึงอีกก็ก็ไม่ยอมรับอันนี้เรียกว่ายาถาลาพระสันโดษคือพระพิสุในสมัยก่อนโดยมากเนี่ยท่านจัดเสนาสนะให้ตามลําดับพรรษา ว่าพรรษาสมมุติว่ามีกุฏิอยู่10หลังเนี่ยนะก็จะบอกว่าพัน อ, องที่มีพรรษา10จะอยู่กุฏิชั้นดีชั้นที่1เลยนะพรรษารองมาก็จะไล่กุฏิอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีพระพรรษา11มาพรรษาที่10ต้องลดตําแหน่งลงะนะองค์ที่11จะไปอยู่กุฏิชั้นดีถ้ามีองค์ที่พรรษา12มาปั๊บองค์ที่พรรษานั้นจะต้องลดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถ้ามีหนึ่งห้องอขออภยัย มีหลังเดียวแต่มีหลายรูปแหะก็บ่งหารชั่วโมงกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนนะเขาก็มีระบบทางพระวินัยจัดการเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะถ้าเป็นบริหารของสงฆ์จะต้องเป็นอย่างนั้น น, นะาะพันธาได้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นตาบางทีเนี่ยพระบวชใหม่เข้ามาเนี่ยนะถึงจะเป็นลูกพระราชาหมหากษัตริย์ดีไม่ดีบวชเข้ามาโน่นได้กุฏิ ป, ปอนปอ น, นั่นแหละอยู่ก็ถือว่าเขาถือพรรษาเป็นหลักเนี่ยนะทางพระวินัยถือเอาพรรษาเป็นหลัก อนะนะเรียกว่าความเจริญทางอายุการบวชเป็นประมาณมันก็ได้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นแหละบางทีก็ได้กุติมออกุติใกล้ผีอย่างเงี้ยนะกุติฟ้าลงก็อยู่ไปเหอะห้ามบนก็แล้วกันแต่นอนไม่หลับก็ต้องไม่ส ป, ปายะจริงๆก็ขอเปลี่ยนเอาคก็ไม่ว่าอะไรนะก็จะเข้าอันอื่นต่อไปว่าอันหนึ่งเล่า พิกสุอาพาต์อยู่ในเสนาสนะที่อับลมย่อมทุรนทุรายอย่างเลือเกินเสนาสนะอับลมนะมันคือมันชื้นมากๆเลยนะลมก็ไม่ผ่านแล้วก็ชื้นแล้วก็อับโรคดีเป็นต้นก็เลยถวายเสนาสนะแกพิสูที่ชอบกันแล้วอยู่ในเสนาสนะอันเย็นมีลมที่ถึงแก่พิสูนั้นแม้ทาสมณะธรรมก็ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษอยู่นี้ชื่อว่ายะถาพละสันโดษ ก็เสนาสนะที่อับลมเนี่ยนะอับลมด้วยถ้ายิ่งอบอ้าวด้วยร้อนด้วยแล้วก็เชื้อด้วยเป็นครั้งคราวเนี่ยนะส่วนใหญ่ยอยู่ไม่นานก็ป่วยเนี่ยนะก็ป่วยเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะนี่ก็ศึกษาให้ดีนะถ้ายิ่งในยุคหลังเนี่ยถ้าใช้ไม้อัดทำด้วยแล้วก็มันมันไม่มมมธรรมดาใช่มันขึ้นรายต่างหากเนนะมันจะอับลมด้วยขึ้นราด้วยร้อนวนกวนกวายไปทั้งหมดเลย นั้นก็เกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะก็หาส ป, ปายะให้เจอว่าแค่ไหนจึงจักส ป, ปายะเพราะว่าสันโดษกับส ป, ปายะนั้นควรจะมาคู่กันไม่ใช่รักษาแต่สันโดษจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นส ป, ปายะไม่ส ป, ปายะ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 ก็ไปอยู่กุฏิเสนาสนะแม่ก็โอ้หนะ้าหลังแบบนี้ต้องเป็นพระรหารแล้วจึงจะสมควรอยู่อย่างนั้นเน่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีกิเลสไปอยู่กุฏิแบบนี้เข้าอากุศลวิตกเป็นต้นก็จะ ก, กลุ่มลมพังก็คัดสรรให้เป็นไม่งั้นก็นอนฟุ้งซ่านทั้งคืนไม่ได้การได้งานบางรูปเนี่ยนะไปเห็นบ้านเห็นกุฏิเนี่ยนะเห็นปั๊บเนี่ยคิดแต่เรื่องสร้างกุฏิอย่างเดียวเลยนะออกแบบออกแปลนตั้งร้ายแบบลายแปล น, ลปลนเนี่ยนะ กว่า จ, จะสว่างก็สร้างกุฏิได้หลายหลังเลยในความคิดอย่างเงี้ยนี้ก็ใช้ไม่ได้นะมีนะพวกอะวิศวะเก่ายัางไงมาบวชไม่ทราบสถาตนิสเก่ายัางไงไม่ทราบบวชเข้ามาคิดแต่เรื่องสร้างกุฏินั่นแหละมาเห็นแบบกุฏิคิดแต่เรื่องกุฏินั่งเขียนแปลนในความคิดได้เป็นหลายๆ ห, หลังเลยแหละคืนหนึ่งไปอยู่หลังไหนก็ไปยุบประดับตกแต่งนี่นะหน้าต่างจะตัดตรงนี้ติดตรงนั้นนะก็นั่นแหละท่านหนักๆเข้าไม่ค่อยถือแล้วบริขารถือโม้นพวกค้อนพวกเลื่อยนั่นแหละก็ะเลยตัด ขยันบางองค์นี่ขยันจริงๆนะดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วยังไม่เลิกทําำนะตีคอปองเปงปงเป่งทำอยู่นั่นแหละทําเสร็จอ้ า, ย, ายกุฏิไปอยู่หลังใหม่อีกลังนี้ก็น้าทําก็ทําอยู่อย่างนั้นนะนะสมณะธรรมก็เลยไม่ได้เป็นอันเรียนอันศึกษาเลยนี่บวชไปนานๆกน็เยอะแต่พรรษานะความรู้ก็ไม่มีอะไรก็นี่แหละถ้าหากว่าไม่รู้จักสันโดษในเสนาสนะก็เป็นเช่นนั้นแหละกลายเป็นว่าบวชมารักษาเสนาสนะ สมถาวิปัสสนาก็ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนก็ไม่เป็นอย่างในยุคนี้ก็มีเยอะมากพระภิสุที่บวดเข้ามาแล้วถือเอาการก่อสร้างเป็นเป็นศึกขาว่างั้นเถอะเป็นเป็นข้อศึกษาเป็นข้อที่จะต้องปฏิบัติบางทีปืนแต่ดึกเครื่องมาก่อสร้างเลยนะผสมปูนตั้งดึกๆก่กอสร้างเองเลยเห็นะอะไรเองเลยเนะี่ยจะยิ่งนายช่างเก่ามาบวดด้วยก็ไม่ต้องอะไรกันแล้วเห็นไหมโยมคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า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 ที่เหมาะที่สมอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่จะต้องเจริญจะต้องบาเพ็ญจะต้องปฏิบัตินี่มาดูเกี่ยวกับเรื่องเพสัชบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องอยู่เรื่องยาว่าอันหนึ่งพิสูุนในธรรมวินัยนี้ได้เพสั์ไม่ว่าจะเป็นผลสมอหรือมะขามป้อมเธอก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยเพสั์นั้นไม่ประสงค์เพสั์อย่างอื่นมีเนยใสยน้เพึ่งน้าอ้อยเป็นต้นที่ได้แล้ว แม้เมื่อได้ก็ไม่รับนี้ชื่อว่ายะถาลาภาสันโดษในยาคีลานะแปลว่ายาน่นนะมันก็ได้อะไรก็ใช้ไปตามนั้นไปอันหนึ่งพิสุอาภาตต้องการน้ำมันแต่ได้น้ำอ้อยเธอก็ถวายน้ำอ้อยแก่พิสูที่ชอบกันแต่ทายาด้วยน้ำมันจากมือของพิสูนั้นแม่แม้กระทาสมณธรรมก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นี้ชื่อว่ายะถาภะสันโดษในคีลานะปะจัจจัย อันนะ่ะซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ไม่ชอบน้ำอ้อยเนี่ยนะน้ำอ้อยนี่เป็นอาส ป, ปายะแต่น้ำมันเป็นส ป, ปายะก็เอาน้ำอ้อยไปแลกน้ำมันน่นะหรือมีน้ำมันไปแลกเนยใสยเป็นต้นก็แลกกับเพื่อนพระพิสูนด้วยกันได้นะแต่ถ้าไปแลกกับคารวาสนี้ต้องใช้สมณะโวหารจึงจากได้คืออาตามามีน้ำอ้อยอแต่ไม่ต้องการน้ำอ้อยต้องการน้ำมันน่ะ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 มีพระภิสูรรูปหนึ่งมีวยวาวิยาวัชกรเนี่ยดูแลอยู่นะต้องการอะไรก็ได้อย่างงี้ก็บอกเขาบอกโยมไปเสื้อนั้นให้อัตมาหน่อยอย่างงี้ไม่ได้แต่บอกว่าอัตมาต้องการสิ่งนั้นน่ะถ้าย่างงี้ได้ก็อยู่ที่การใช้คำะนะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องศีลบางส่วนก็อยู่ที่การใช้คำเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ใบหญ้าก็เหมือนกันนะบอกว่าโยมตัดต้นไม้ต้นนี้ทีนี่ไม่ได้ แต่บอกโอต้นไม้ต้นนี้เกะกะมากถ้าเอาตรงนี้ออกจะดีมากอย่างนเงี้ยนะก็อันนี้ก็เรียบร้อยละก็อยู่ที่การใช้คําล่ะประมาณคือคือพระวินัยบัญญัติเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นเพราะพระ อ, องค์บัญญัติขึ้นเนี่ยนะเป็นพระบัญญัติแต่ถามว่าถ้าไม่ทําเช่นนี้นะ่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างสมมติวเรื่องขุดดินก็เหมือนกันบอกว่าพระเนี่ยใช้ให้เขาโบโยมขุดดินตรงนี้หน่อยผิดนะแต่บอกขุดล้มทีอา้าวบอกให้ขุดล้มไม่ได้ขุดดินนี่ oh. ได้ไหม เราก็ไม่ได้บอกให้ขุดดิ น, นนะเ ค, คืออยู่ที่ความเข้าใจจริงๆในพระวินัยเนี่ยนะก็ถ้ามีความเข้าใจก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกก็สามารถรักษาได้แต่ถ้าไม่เข้าใจวิธีการไม่เข้าใจอะไรนี่ก็ไม่สามารถจะรักษาพระวินัยได้พระวินัยนี่ก็ต้องอาศัยปัญญานะ้จึงจักรักษาได้ ส่วนเกี่ยวกับยะถาภะลาสันโดษว่าภิกษุอาพาตต้องการน้ำมันแต่ได้น้ำอ้อยเธอก็ถวายน้ำอ้อยภิกษุที่ชอบพอกันแล้วก็เปลี่ยนกันดังกล่าวไปนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็เปลี่ยนกับคารวะา ด, ดังกล่าวไปก็ต้องระวังนะต้องใช้สมณะโวหารให้เป็นเนี่ยแม้กระทั่งเปลี่ยนกับแม่ยังไม่ได้เลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงคนอื่นคือถ้าใช้คําว่าเปลี่ยนนะบอกว่ายมแม่เออจะมาขอเธออันนั้นแล้วก็ให้อันนี้ยมแม่ไปถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่แม่เราเปลี่ยนกันไหมอันนี้ไม่ได้